บุกทูห้าสิบเอ็ดยสตเยการไปทำธุระวิบาววานเยดิฉันอยากไปห้องสมุดเซมอิสตุคเนชเนตดิฉันอยากไปร้านขายหนังสือ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 ดิฉันอยากไปแผงขายหนังสือเพื่อจะซื้อหนังสือพิมพ์ดิฉันอยากไปร้านแว่นตาดิฉันอยากไปซูปเปอร์ม า, าปปร์าเกต็ต ดิฉันอยากไปร้านขายขนมปังดิฉันอยากซื้อแว่นตาดิฉันอยากซื้อผลไม้และผักดิฉันอยากซื้อขนมปัง ดิฉันอยากไปร้านแว่นตาเพื่อจะซื้อแว่นตาฉันไปร้านแอจะซือแว่ดิฉันอยากไปซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อจะซื้อผลไม้และผักฉอตอซืลไม้และ ดิฉันอยากไปร้านเบเกอรี่เพื่อจะซื้อขนมปังฉันอิสโดเปการ่อาบิส่งคูปิลคลาเจ e เ l ่แล